ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแม้ยังมีสิทธิ์ลงรักคนอื่นได้ก็ไม่มีทางนึกรักตัวเองลงเป็นที่ทราบกันว่านิยามของการรักตัวเองหมายถึงเห็นค่าและใส่ใจดูแลตัวเองเป็นแต่หลายคนกลับรู้สึกสับสนว่ายังไงกันแน่พยายามเห็นค่าเขาแล้ว พยายามดูแลตัวเองก็แล้วแต่ทำไมรักตัวเองไม่ลงสักทีความรู้สึกเป็นสิ่งที่แกล้งสร้างไม่ได้มันมีให้รู้สึกอย่างไรยังไงก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกรักและแม้รักนั้นจะหมายถึงรักตัวเองก็ตาม ดังเดิมทุกคนรักตัวเองในความหมายของการเห็นกับความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งเช่นคุณอาจยอมตายแทนใครบางคนได้ตราบเท่าที่ยังมีเหตุให้พักดีหรืออย่างน้อยมีความผิดสวาสดมากพอแต่เมื่อผิดหวังหรือชังกันขั้นเหม็นขี้หน้าอย่าว่าแต่จะยอมตายแทนแค่ให้ยอมทนอยู่ร่วมโลก บางทียังไม่ไหวเคยรักมากถึงขีดใดก็กลายเป็นเกลียดได้ถึงขีดนั้นขอเพียงมีเหตุให้กลับคั่วความรู้สึกได้แรงพอจะหัก อ, อกกันพังไปข้างเหลวสถนานะเนี้ยชาตินี้ไม่ต้องเผาผีชาติหน้าไม่ต้องพบต้องเจออีกแต่กับตัวเองให้เกิดชาติไหนคุณเข้าข้างได้เสมอ ไม่ต้องถามหาผิดถูกแล้วกับตัวเองคุณรักได้ตลอดไปไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องสนด้วยว่าตัวเองมีอะไรน่าพิศวาตหรือเปล่าย้ำเลยรักคนอื่นขนาดไหนก็ไม่เคยเกินรักความรู้สึกของตัวเองไปได้หรอกถ้าคุณรักตัวเองในแบบเข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือเอาแต่รักตัวเองจนลืมเห็นใจคนอื่น ผลลัพธ์อาจไม่ต่างจากการเอาคนที่เกลียดคุณมาจ้องทาลายล้างกันเพราะคุณจะคิดในแบบที่ทำให้จิตมืดไม่ต่างจากศัตรูเอาคุณไปขังไว้ในห้องทึบคุณจะพูดในแบบที่เผาจิตให้ร้อนไม่ต่างจากคู่อาฆาตจับคุณไปมัดไว้ใกล้กองไฟใหญ่คุณจะกระทำการในแบบที่จะปวนจิตให้เหนื่อย ไม่ต่างจากเผด็จการบังคับคุณไปรบในสมรภูมินานๆผู้ที่ได้ชื่อว่ารักตัวเองจริงไม่ใช่ผู้ที่จ้องแต่จะเห็นใจตัวเองหรือกระทั่งเข้าข้างตัวเองถ้าว่าเป็นผู้คิดที่จะเห็นใจคนอื่นเหมือนรู้จักเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง ผู้พูดคำเรื่นหูกับคนอื่นเหมือนพาตัวเองไปอยู่ในน้ำใสไหลยเย็นเป็นผู้กระทําการเพื่อเกื้อกูลคนอื่นเหมือนนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีข้าวปลาอาหารอันอิ่มหนำโดยย่นยอ่อถ้าอยากรักตัวเองจริงให้ดูใจตัวเองว่าได้อะไรจากความรักนั้นบ้าง รักตัวเองแล้วเป็นสุขหรืออึดอัดรักตัวเองแล้วมืดบอดหรือตาสว่างรักตัวเองแล้วหิวโหวยหรืออิ่มเอมเชื่อถือว่าไม่มีใครรักจิตแย่ๆของตัวเองลงมีแต่คนรักจิตดีๆของตัวเองได้เท่านั้นความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าน่าให้รักนั่นแหละ คอยช่วยนําไปสู่ความรู้สึกรักตัวเองจริงและเมื่อรักตัวเองจริงได้ค่อยง่ายที่จะรักคนอื่นเป็นเห็นใจคนอื่นพอจะไม่ตาบอดรักผิดคนด้วยความรู้สึกจากส่วนลึกอันเป็นเครื่องหมายของรักแท้ ไม่ใช่หวานแหววเกินเกินไม่ใช่รู้ใจแต่แรกครบแต่เป็นกันเองไม่ต่างจากคนในครอบครัวคนมักอยากรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรักแท้หรือว่ารักเทียมกันแน่ไม่รู้จะดูอย่างไรเอาอะไรเป็นตัววัด บางคนบอกให้ดูความรู้สึกที่ใช่เหมือนคู่แท้ที่พลัดพรากมาพบกันใหม่บางคนบอกให้ดูความรู้สึกเป็นเพื่อนเหมือนคนคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องคลางตัวเพื่อจะรู้ได้จริงคุณต้องจำแนกให้ถูกว่าความรู้สึกแบบไหนอายุสั้นความรู้สึกแบบไหนอายุยืนยอมรับเธอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ส่วนใหญ่ให้แค่ความรู้สึกชั่วคราวตามเหตุปัจจัยเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเลื่อนชั้นยังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนได้แค่ไหนเพื่อนร่วมเที่ยวเมื่อหมดเวลาเที่ยวยังรู้สึกอยากอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานเมื่อไม่มีงานให้ทำด้วยกันยังรู้สึกว่าคุยกันได้อีกอยู่เรื่อง เพื่อนสนิทเมื่อเกิดเรื่องแรงพอจะแตกแยกยังรู้สึกมองหน้ากันสนิทเหมือนเดิมอยู่หรืออย่างไรรักแรกพบเมื่อคบกันจริงนานไปยังรู้สึกสุดพิสวาสดเหมือนแรกรักได้ไหมแต่มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ยังคงอยู่ตรงนั้นไปจนตายนั่นคือความรู้สึกแบบครอบครัวถึงไม่ได้เที่ยว ไม่ได้มีงานร่วมกันหรือกระทั่งไม่ได้คุยกันสักเท่าใดก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวอยู่ดีความเป็นเพื่อนหรือความเป็นคนรักให้อย่างไรก็รู้สึกว่าสมมุติขึ้นชั่วคราวหมดเหตุให้อยากสมมุติเมื่อไหร่ก็กลับไปเป็นคนแปลกหน้าเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวละก็ คุณจะไม่ต้องคิดมากมาแต่แรกเพราะรู้สึกถึงรากแก้วที่ใหญ่เกินทอนต่อให้พยายามคิดว่าเป็นอื่นอย่างไรก็ไม่รู้สึกเป็นอื่นอยู่ดีทั้งนี้ความรู้สึกเป็นคนในครอบครัวนั้นไม่ใช่จะต้องนับกันที่สายเลือดท่าเดียวพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องท้องเดียวกันถ้าประพฤติเหมือนเป็นคนละพวกกันทุกวัน ก็ให้ความรู้สึกแปลกปลอมเป็นอื่นอยากมองกันด้วยสายตาเย็นชาไม่ต่างจากคนแปลกหน้าที่ต้องระแวงกันได้แต่กับบางคนนอกบ้านนอกตระกูลถ้าเข้ากันได้มีน้ำใจเกื้อกูลกันสม่ำเสมอก็อาจให้ความรู้สึกสนิทแน่นแฟ้นและทำให้นึกถึงคำว่าคนในครอบครัว ได้ยิ่งกว่าผู้มีสายเลือดเดียวกันเสีอีกถ้ามีพ่อแม่พี่น้องเป็นรากฐานความสุขอยู่ก่อนคนเราจะวัดความรู้สึกตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อพาคนรักมาพบครอบครัวเรารู้สึกเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรากับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่แล้ว อันนั้นมีแนวโน้มสูงว่าเป็นรักแท้ในความหมายที่เป็นสัมพันธภาพยั่งยืนต่อให้ภายหลังทะเลาะเบาแววงเลิกรากันไปก็จะยังมีใจรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวต่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อได้ไม่ต่างจากญาติสนิทสรุปคือ จะถามหารักแท้อย่าวัดใจตัวเองด้วยความรู้สึกวูบวาบอันใดแต่ให้วัดจากความรู้สึกที่ยั่งยืนโดยถามคำเดียวสั้นๆว่าเขาหรือเธอให้ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวหรือเปล่าหรืออย่างน้อยนึกภาพของการช่วยกันสร้างครอบครัวออกไหมภาพที่คุณอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็น ภาพที่คุณอยากหนีความเหน็บหนาวมาหาความอบอุ่นภาพที่คุณอยากหนีคนแปลกหน้ามาอยู่กับคนคุ้นเคยและถ้าไม่โกหกตัวเองยืนยันกับตัวเองว่าใช่คนในครอบครัวแน่ก็อย่าประมาทอย่านึกว่าคนในครอบครัวคือคนที่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องถนอมน้ำใจกันตรงข้าม ต้องนึกถึงครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุขเราจะรู้ว่าเขาคิดถนอมน้ำใจกันทุกวันไม่ใช่เอาแต่ใจตัวกันไม่เลิกช่วยกันปั่นจักรยานสองตอน รู้สึกเบาแรงลงกว่าครึ่งรู้สึกดีที่ได้ร่วมแรงไปด้วยกันรู้สึกตรงกันถึงทิศทางไปข้างหน้าจักรยานสองตอนจึงเป็นหนึ่งในสั ญ, ญลักษณ์ของชีวิตคู่ที่มาถูกทางเรามักเห็นแต่จักรยานถีบเดียวซึ่งมีที่ซ้อนท้ายให้อีกคนนั่ง น้อยครั้งจะเห็นจักรยานถีบคู่ที่ขอแรงสองคนร่วมด้วยช่วยกันคงคล้ายกับชีวิตคู่ส่วนใหญ่ที่หาสองแรงแข็งขันเสมอกันยากเมื่อเอาสองคนมาอยู่ด้วยกันโดยมากมักเกิดความรู้สึกคล้ายอยู่บนจักรยานถีบเดียวอันมีใครคนหนึ่งออกแรงมากกว่าหรือกระทั่งออกแรงอยู่เพียงลาพัง น้อยนักที่คู่ไหนจะเกิดความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันบนจักรยานถีบคู่ออกแรงพอๆกันไม่อยากกินแรงกันใครเหนื่อยก็อาจพักขาให้อีกฝ่ายช่วยถีบคนเดียวสักครู่หายเหนื่อยก็สลับกันถีบได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันการขี่จักรยานถีบคู่ เป็นตัวอย่างความรู้สึกดีๆร่วมกันอาจบรนดาลให้อยากร่วมแรงร่วมใจด้านอื่นทั้งอนุเคราะห์กันและกันในบ้านทั้งร่วมกันสงเคราะห์คนด้อยโอกาสนอกบ้านมองจักรยานคุณอาจเห็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ชวนสำรวจว่าชีวิตคู่ของตัวเอง มาถูกทางหรือผิดทางถ้ารู้สึกเหมือนจักรยานทีเดียวที่มีใครคนหนึ่งเอาแต่นั่งงอมืองอเท้านั่งเมอชมวิวอยู่คนเดียวหรือกระทั่งขย่มจักรยานให้เซไปเซมาแบบที่เขาเรียกว่ามือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำคุณอาจต้องโทษตัวเองนิดหนึ่งหรือเปล่าที่สร้างความเคยชินให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหน้าที่ถี เป็นของคุณตามลำพัง